ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิจัยศรีปทุกมกาลังนำเสนอประวัติพระอนุตเทระก็มาถึงช่วงที่ท่านอุบัติในสักยสกุลซึ่งเหตุเป็นเหตุการณ์ก่อนพุทธสมัยก็เป็นราชโอรสของ พระเจ้าสุกธนะก็มีพระเชษฐาชื่อว่ามานามะและมีกนิถะภกินีชื่อว่าโลหินีในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าได้ทรงประรบท่านที่ตอนบำเพ็ญเพียรแล้วก็ตรึกนึกถึงมาปริษาทลักษณะวิตก คือการตึกนึกของพระหมหาบุรุษหรือว่าตึกนึกแนวของมหาบุรุษในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองท่านก็ไปติดอยู่ในข้อที่แปดพระเจ้าก็ส่งชี้บอกว่าข้อที่8ก็คืออริยวงศ์สาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นหลักของอริยวงคือวงของภระยะิย แต่แก่สันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้พระนุชก็จะเิญวิปัสนาไปแนวนั้นเิศสนาทำให้ได้แจ้งซึ่งพระราหันต์อภิญญาปฏิสัมพิทาประกอบประเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอปาทานนะคือหมายความอัตถกฐานนี้ก็ทำหนที่รูปรวม ข้อความจากที่ต่างๆตอนนี้ที่จริงก็เป็นเทราคาถาอปาธานนั้นก็อยู่อีกเล่มหนึ่งก็เป็นพระประวัติพระสาวกพระสา ว, วิกาเหมือนกันก็ได้พูดในทํานองคาถาแต่ว่าเป็นพระคาถาของพระพุทธเจ้า คือคาถาในลักษณะนี้ตามปกติแล้วข้อความค่อนข้างยาวก็บอกไว้ว่าเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวาสุมเมตผู้ทรงเป็นเชษฐบุรุษของโลกปว้ อ, อาจกว่า น, นรชนผู้เป็นนายกของโลกคำทั้งสามคำนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือเชตถาบุรุษก็คือบุรุษที่เป็นพี่โตรของชาวโลกก็ไม่มีกิเลสภายในพระทยัยก็ย่อมมีความโมกล้าหารไม่ข้นคราม ข, งขังเกรงต่ออะไรทั้งนั้นละบาปก็ไม่มีให้กลัวแล้วก็ภัยอันตรายจากข้างนอกก็ทำอะไรไม่ได้ คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นอเพยทัศสริระคือพระพุทธสริระนั้นใครจะทำให้เป็นอันตรายแม้แต่เลือดตกเพียงหยดเดียวหยดเดียวก็ไม่ได้ท่านบอกว่าเพียงมเลเงวันกินอิ่มก็ทำไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าอาศัศจรรย์นะครับ คือพุทธสมัยนั้นมันยั่งยืนถึง45ปีในขณะที่ช่วงนั้นแหละบรรดาขณาจารย์เจา้าัลชิก่อนพระพุทธเจ้านิดหน่อยร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าก็ได้ถูกประทุษร้ายตายไปเป็นจำนวนมากและหลังจากนั้นมาก็มีการประทุษร้ายพวกสมณชีพราม บาดเจ็บล้มตายไปเป็นนั้นมากพระพุทธเจ้าแม้มีความพยายามจากนายขมังธนูก็ดีจากสร้างนาลาคีรีก็ดีจากพระเทวทัศ์ก็ดีก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้คอนี้จาเรียกว่าเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีลักษณะเป็นอย่างนี้ ผู้เป็นนายกของโลกก็คือเป็นผู้นำเป็นผู้ชี้ทางบรรเทอทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนรุพานันพ้นโศ ก, โกประโยชไ์ให้แก่ชาวโลกแล้วก็เสด็จเร้นอยู่คือเสด็จอยู่ในที่สงัดเงียบปราจจากเสียงบรบกวนพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้น หรือสมัยที่ยังเป็นประโพธิสัตว์อย่างไม่ได้ศัสรูก็ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสุมเมตแล้วก็ได้ประกาศอัญชลีประคองอัญชลีอ้อนวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ส, สุดว่า แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกผู้มีความมังาอาจกว่านอรชนก็ได้โปรดอนุเคราะห์ด้วยเถิดข้าพระองค์จักถวายประชีพแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ทรงเข้าชาญนะครับยูในที่โคนตรดไม้ พระสยามูพุทธเจ้านั้นทรงเป็นนักปราดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเจ้าละที่ทั้งหลายทรงรับคําแล้วประเด็หนึ่งคือสยามภูแปลว่าผู้เป็นเองคือหมายความวาการสัสรู้อนุตตรสมาสมภูธิยานเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในโลกนะ่ะจะกี่องค์ก็เราก็ไม่รู้หรอก แต่ว่าท่านที่เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องมีลักษณะเป็นสยามภูคือเป็นมาเองสาหรับในยุคสมัยนั้นก็ใช้กันหมายความว่าเช่นรีมูรติเนพระพรมประศิวธพรนนารายเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นสยามภูผู้ยิ่งใหญ่ในาศาสนาอานื่นในลัที่อื่นก็พูดในทํานองสยามภู คือเป็นขึ้นมาเองเพื่อจะตัดปัญหาเรื่องใครสร้างคือตัดปัญหาเรื่องผู้สร้างศา ส, สนาเหล่านั้นก็จะพูดถึงสิ่งที่เป็นสยัมภูนั่นแหละเป็นผู้สร้างแต่สยามภูในความหมายของพระพุทธศาสนาหมายถึงศาสราดีศาสุสรชอบโดยตนเองไม่มีใครเป็นครูไม่มีใครเป็นศาสดามาแนะนําสั่งสอนให้ เราก็สรงเป็นนักปรารถแห่งนักปรารถคือเนื้อปรารถทั้งหลายเพราะว่านักปรารถอย่างเช่นนักปรัชญาทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นนักปรารถแม้แต่ท่านที่ลดหลั่นลงมา ก, กว่านั้นมีวาทะคงขำ่ำมีเอกสารมีหลักฐานการแสดงความคิดความเห็นหลักปรัชญาหลักอภิปรัชญาหลักศาสนาตลอดถึงวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมนุษยชาติที่จริงท่านก็เป็นนักปราบคนหนึ่งแต่ว่าท่านก็ละกิเลสไม่ได้พุะเจาทั้งหลายนั้นได้ละกิเลสได้นี้คือทําให้เป็นนักปราบจริงๆก็คือการไม่มีกิเลสก็ทําให้โปร่งประเสริฐกว่าเจ้าลัที่ทั้งหลายซึ่งละกิเลสหมดไม่ได้เมื่อ พระโพธิสัตว์ได้ขอพรในลักษณะอย่างนั้นพระเจ้าก็ทรงประธานพุทธานุญาตแล้วก็เล่าว่าในการนั้นเราได้แขวนประทีพไว้ที่หมู่ไม้และประกอบอาชีพยนต์หมอบถวายไส้ตะเกียงพันไส้แด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเป่าพันแห่งโลก ประทีปลุกโงงอยู่ตลอดเจ็วันแล้วก็ดับไปเองมีข้อน่าสังเกตก็คือว่าท่นานใช้คำว่าตะเกียงประกอบด้วยประทีปยนต์แล้วก็กล่าวมอคถวายมีไส้อยู่พันไส้ทีนี้การจุดตะเกียงด้วยไส้ที่เป็นได้เนี่ยเป็นได้หรือเป็นผ้าก็ตาม ตามปกติแล้วในสงครามโลกครั้งที่สองก็ชช้กันมากสายก็ไม่ยาวหรอกแล้วก็เสร็จแล้วมันก็มอดไหม้ไปแสดงว่าการทำระที่เป็นยนต์ก็ทำให้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอพอใส้เริ่มจบหมดมันก็หมุนขึ้นมาแทนหมุนขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะว่าทายมันเยอะเหลือเกินก็หมายความว่าในสมัยนั้นก็มีความเจริญก้าวหน้าในความคิดเรื่องเหล่านี้เพียงแต่ว่าความคิดใดด้านต่างๆนวัตรกรรมใหม่ๆ ใ, ในยุคสมัยนั้นมันมีการหวงวิชากันทำให้ ความรู้เป็นนันมากที่อันตรธานจากไปพร้อมกับคนที่เป็นต้นคิดคือคนที่ทําได้แม้ในปัจจุบันเองก็มีอยู่เป็นนันยับเป็นนันมากอย่างยกตัวอย่างเช่นหมอที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกเกี่ยวกับเรื่องแผลต่างๆคือถ้าเราเทียบเคียงกันจริงๆแล้วเนี่ยมันดีกว่าสมัยปัจจุบัน เพราะไม่ต้องมีการตัดอะไรเลยแต่ท่านทำให้หายได้เป็นปกติเพียงแต่ว่าครูบาอาจารย์เหล่านี้ในที่สุดก็ตายไปวิชาความรู้เหล่านั้นก็ไม่เหลืออยู่ในช่วงสุดท้ายเมื่อไม่หลายเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหลวงพ่อมีเย็นที่วัดประเชตุพล ก็เก่งในเรื่องเหล่านี้ก็หาคนท้าเทียนท่านได้ยากแต่ท่านก็มโนภาพไปคนที่สืบต่อมาใหม่ก็ไม่เก่งเท่าท่านมันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไปหมอประเภทนี้จะสร้างขึ้นได้ยากมากแตว่าตอนเรียนด้วยกันเนี่ยก็เป็นร้อยคนนะครแต่ว่าทําได้แค่สองท่าน คือหรวงพ่อเมียนกับหลวงสุ ป, ปจาราัสแต่ทั้งสองก็จากไปหมดแล้ววิชาความรู้เหล่านี้ก็หายไปก็เรื่องวิชาความรู้มันต้องถ่ายทอดไว้แล้วก็มีเอกสารไว้ให้คนรุ่นหลังที่เขาสนใจเขามีความสามารถสืบสารสิ่งดีงามเหล่านั้นเอาไว้เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นมรดกโลก ที่จะช่วยเหลือชาวโลกได้ระดับหนึ่งแล้วข้อต่อไปท่านก็บอกว่าด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้มายความว่าพลังที่เป็นเหตุให้เกิดผลอย่างนั้นจิตนั้นเลื่อมใสเราก็พูดว่าปสาาัสสะ คือสธาปสาธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสความเลื่อมใสนั้นเป็นอาการผ่องใสที่เกิดขึ้นภายในจิตทำหน้าที่กระจัดความไม่เลื่อมใสทำหน้าที่กระจัดความคลืบแคลงสงสัยพอเข้มข้นสูงขึ้นก็ทำหน้าที่กระจัดราคะโลภ แล้วก็ขจัดโมหะเอกไปผลกิเลสมันลดลงไปเท่าไหร่ความผ่องใสภายในจิตก็เกิดขึ้นเท่านั้นถ้าเรียกว่าเป็นปัสสะทัเรียกทับสบะว่าความเลื่อมใสที่จริงก็เป็นอาการที่จิตมันผ่องใสนะฮะผ่องใสาจากพวกกิเลสทั้งหลายไม่ได้หมายความมอมโอดกิเลสหรอกแต่ว่ามันผ่องใส เราละร่างมนุษย์แล้วได้เข้าถึงวิมานหมายความวาตาจากมนุษย์แล้วก็บังเกิดเป็นถวยเทพด้วยผลของการบูชาพระพุทธเจ้าเจ็ดวันเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงทิศโศภนามาสุเมธานี่น่าจะเข้านิโรธสมาบัติท่านก็บูชาในขณะที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติ พปิดภาครา้าในรูสมาบัติมันก็เหมือนกับพระพุทธรูปคืออยู่เฉยๆจิตใจก็สงบการหายใจก็ไม่แรงอะไรมันคล้ายๆกับเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนก็ติกน้ำร้อนนะฮะคือพอร้อนเต็มที่แล้วมันก็ไฟก็หยุด แล้วก็ที่ความร้อนอยังเหลืออยู่ก็ทําหน้าที่วอมคือรักษาความร้อนเอาไว้เพรความลดร้อนลดมากไปก็สตาร์ตขึ้นมาใหม่คนจิจตใจของท่านที่เข้าขนาดนี้ก็อยู่ขนาดเนี้ยถ้าเข้าระดับทุติยชาตท่านเรียกว่าเป็นธรรมทิตียติตตาธรรมสุ ข, ขวิหารก็อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน แต่ถ้าเข้าไปถึงเจตุตชารหรือว่าเข้าไปสมบัติแปดเลย mm hmm. ก็หมายความว่า mm hmm. ก็แบบพระมุทธรูปก็แล้วกันมือกระทดไม้ทอดหนึ่งใครกระทบกระแทกกระทันยังไงก็ตามก็ไม่สะดุ้งสะเทือน mm hmm. เพราะอยู่ในนิโรธสมบัติสมบัติรักษาไว้ข้าก็ยังไม่ตายเลยนะดันบุญกุศลมันก็เยอะ ด้วยจิตที่ศรัทธาปัสสาทะคือด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วก็ด้วยเจตนาที่ตั้งเอาไว้เจตนาก็เป็นตัวกรรมก็ น, นำท่านไปอุบัติบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เมื่อเราเข้าถึงความเป็นเทวดาวิมานที่บุคคลที่บุญกุศลมานิรามิตไว้เนี่ย ดีแล้วย่อมรุ่งเรืองทั่วทุกด้านนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยประชีพก็เหตุนั้นทำให้ท่านได้ไพร่โรดไปทั่วตลอดหนึ่งโยดด้วยโดยรอบครอบงามเทวดาทั้งหลายนี้เป็นผลแห่งการถวายประชีพ คือหมายความมาตัวประชีพเนี่ยก็คือแสงสว่างทีนี้ท่านทำด้วยจิตใจที่เรื่มใสแล้วก็มีอธิษฐานคือตั้งเจตจำนงเอาไว้แล้วบูชาพระพุทธเจ้าที่อยู่ในสมาบัติถึงเจ็ดวันพลังบุญโดยเฉพาะรัศมีนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลไปเป็นโยอดเลย ประโยชน์มันปกเกย์ไปครอมวิมานคนอื่นหลายๆวิมานว่าทำให้วิมานเหล่านั้นก็อับแสงไปเพราะแสงรัศมีจากวิมานของท่านนั้นรุ่งเรืองมากกว่าอั น, นี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการถวายประชีพแล้วก็ทัานก็นเล่าถึงผลจากการบูชาในคราวนั้น พะเราเป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัตสมบัติอยู่สามสิบกับนะฮะสามสิบกับยกไปนานเลยเกินใครๆจะดูมินเราไม่ได้เลยนี่เป็นผลแห่งการถวายพระชีพเราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิยี่สิบแปดครั้งคราวนั้นเราก็ได้เห็น เรามองเห็นได้โดยรอบหนึ่งโยธทั้งกลางวันและกลางคืนหมายความว่าตาเป็นทิพนะฮะแต่ว่าทิพของเทวดาไม่ใช่ทิพประชาไม่ใช่ทิพตญาณนะแต่ว่าเป็นทิพโดยกําเนิดเป็นการได้โดยกําเนิดกาไปปรุงแต่งกาไปตัวสร้างไว้เราบรรลุที่ไปจากสุย่อมมองเห็นได้ตลอดพันโลกธาตุดวยญาณในพระาศาสนาของพระาศาสดาคือนี้พูดถึงปัตติบัน เพราะว่าท่านได้บรรลุที่ไปจากสุขผลผลที่ทําให้ท่านได้รับเอตาตะคะเป็นผู้เลิศกว่าพิกษสูทั้งหลายในด้านทรงที่ไปจากสุขก็สืบเนื่องมาจากตรงนั้นแหละสืบเนื่องมาจากการถวายประชีปบูชาพระสุเมธะพุทธเจ้าในขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแต่ตอนตอนนั้นพระสุเมธะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะคร ในกัปที่สาม0มื่นแต่พัตกับนี้ย้อนหลังกลับไปนะฮ0สามมื่นพัตกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมเมธะได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วเรามีจิตเดื่อมใสจึงได้ถวายประชีพแด่พระองค์คุณพิเศษเหล่านี้คือไปสัมพิทาสีไปสัมพิทาสีก็คืออัถฐปฏิสัมพิทาปัญญาที่แตกฉานในอัดหรือในเหตุ แล้วก็ธรรมะไปสัมพิทาปัญญาที่แตกฉานในภาษาคือในผลหรือในผลแล้วก็นิรุติไปสัมพิทาปัญญาที่แตกฉานในภาษาและปฏิภาณปฏิสัมพิทาปัญญาที่แตกฉานในไว้พิปติภานและที่นี้เมื่อเป็นสัมพิทาสี่ก็วิชาสามอภิญญา6กหรือวิชาแปดก็แล้วแต่ ก็รู้กันอยู่ว่าชุดนี้เขาเรียกว่าเตชวิชาคือพระหัรประเภทที่มีวิชาสามพระอ น, อ น, นุ์นั้นไม่ไม่ใช่พระอนุรุษนั้นก็สมบูรณ์ด้วยไปสัมพิทาสี่อภิญยาหกแล้วก็ญาณสามจึงก็ทำให้เป็นพระหัรระดับที่เรียกว่าโดดเด่น แล้วก็เด่นมากก็คือทิปจักสุท่านบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้นี่ก็เป็นอุทานเป็นคำแปลเป็นการเล่าแต่ว่าเป็นอุทานหมายความมาเกิดขึ้นโดยโสมนัสยานภายในใจของท่านแล้วก็เปรีงให้เพื่อนสัพปมาจารีได้ฟังกัน ครันในเวลาต่อมาพระศาสดาทรงประทับอยู่ในถ้ำกลางหมู่พระริยะในประเทศตะวันพระนุษย์ก็ได้รับการยกย่องว่าเลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายในด้านทิพยจักสุขข้อที่ยกย่องมันก็ใช้ประโยชนแบบเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนคุณสมบัติว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุรุทธานี้เป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้สาวกของเราผู้มีทิปจักรสุขการแปลรูปเสวยวิมุตติสุขคือสุขซึ่งเกิดขึ้นจากจิตที่หลุดพ้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเมื่อตรัสรู้เมื่อบรรลุแล้วก็จะพักเสวยวิมุตติสุขอยู่ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตหลุดพ้นจากกำนาจกิเลตอยู่ระยะหนึ่งก็แล้วแต่ อย่างของพระพุทธเจ้าเราเราเห็นว่าก็เจ็ดสัปดาหจสยวยิมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาหแต่ว่าพระนุติท่านไม่บอกนะบอกว่าจะยวยิมุติสุขอยู่เท่าไหร่วันหนึ่งได้พิจารณาถึงข้อปฏิบัติของตนเห็นแล้วเกิดปีติโสมนัสขึ้นจึงได้กล่าวคาถามีคําเริ่มต้นว่าปายะมาตาปิตโร แปว่าละมันดาบิดาหมายความมาลาจากมันดาบิดามาบวชนี่ยด้วยอุทานแต่พระอาจารย์บางพวกกล่าวว่าพระสังกิติกาจารย์ทั้งหลายเมื่อประกาศถึงการบรรพชาและการบรรลุอรหัตของพระเถระจึงได้กล่าวคาถาสี่คาถาข้างต้นไวสี่คถาที่กล่าวแล้วนะฮะแล้วก็ ตามเหตุการณ์นั้นๆพระผู้มีพระเจ้าผู้ทรงมีพระไทยโปรดปรานข้อปฏิบัติตามวงของระยะจัดไว้ด้วยคาถานอกนี้แม้ทั้งหมดพระเทนนั้นเองกล่าวไว้แล้วตามเหตุการณ์นั้นนั้นฉะนั้นคาถาเหล่านี้จึง ทั้งที่พระเทรากล่าวทั้งที่พระภูมิพระภาคเจ้าเจาะจงสัตว์ไว้ถึงทราบว่าคาถาของพระเทระเดาโดยประการทั้งปวงคือหมายความว่าจะเป็นใครกล่าวก็ตามก็สรุปเป็นพระราหันคือบางทีคัมภีร์ก็พัดคานกันเหมือนกันคือโต้แย้งกันเหมือนกันแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยหมายความว่าอะไรก็ตามใครพูดก็ตามไม่ใช่ประเด็น แต่มันตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงหรือไม่แต่ตรงกับหลักที่พระุทธเจ้าทรงสแสดงก็ถือว่าเป็นพระพุทธศาสนาแต่ไม่ไปเศษนะฮะคือไม่ใช่ไปเศษดะไปเรื่อยๆมันต้องเห็นย่างฉันอันนั้นมันพวกที่อัตตามันเขื่องแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอัตตาอย่างนั้ น, นคำกล่าวข้างต้นนั้นจะเป็นของพระอาจารย์หรือว่าเป็นของพระนุรสหรือว่าพระเจ้ารับสั่ง มันก็แสดงว่ารับสั่งด้วยญาณปเจ้านั้นก็รับสั่งด้วยญาณพระนุตก็รับสั่งด้วยญาณกล่าวด้วยญาณแล้วก็พระถาอาจารย์เองก็ต้องกล่าวด้วยญาณหรืออย่างน้อยที่สุดก็ได้สดับมาแล้วก็มากล่าวออกไ้ต่อไปก็มีลักษณะพันณนาคุณสมบัติของพระอนุรุตเถระว่าพระนุธ ละพระชนพะพะกนพระภคินีพระพาดาพระประยิยรยาตละกามคุณทั้งห้าได้แล้วเพ่งพินิษฐ์อยู่คือหมายความการออกบูตรของราชกุมารซี่เรียกว่าสุคุมารชาตินี่มันไม่ใช่เรื่องทาใจได้ง่ายไหนพ่อละไหนแม่ละไหนพี่ละไหนน้องละไหนพระประยิยรยาตละ ไหนค่าทาดบริวารทั้งหลายที่อ้อมล้อมอยู่เป็นนั้นมากมันเป็นปกักกลางวุ่นเขาเรียกเป็นป ร, ริพ ooth คือเครื่องกังวลคิดนั้นคิดนี้คิดน้อนในสุดมันก็เหนียวรั้งจิตใจของตัวเองเอาไว้ไม่สามารถที่จะก้าออกไปได้แต่พรานรุตเทระท่านปฏิบัติได้นี่ก็ปวนแกการยกจ้อง ทีนี้ท่านก็พ น, นาถึงสุขสมบัติภายในครอบครัวของพระเทราเนี่ยเพื่อต้องการให้คนได้คิดว่าพระเทราท่านสุขสงบขนาดนี้ทําทำไมท่านสละได้ละ่ะแล้วคุณได้ความสุขขนาดนั้นหรือเปล่าทำไมคุณราไม่ได้คนนี้เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่ง คื่เราเห็น ว, ว่ากิจกรรมในวงการคณะสงฆ์นี่มีหลายเรื่องที่มุ่งสงเคราะห์คนด้อยโอกาสการเอาคนลูกลูกคนยากจนมาบวชเป็นสามเณรหรือบางทีเอาคนที่มีฐานะยากจนนั่นเองเอาเข้ามาบวชบางครั้งบางคราวคนเหล่านี้ก็ติดการพนันติด สิ่งเสษติดงอมแงมต่างบ้านไม่รู้จะแก้ยังไงก็ขอให้พระช่อบวชให้ช่วยรวมสั่งสอนให้พระก็ต้องรับทั้ง น, นั้นจนปีพศสองพ้าสี่สองรัฐบาลเห็นว่ามีคนว่างงานมาก แล้วขออนุเคราะห์จากมหาเทระสมาคมขอให้คนว่างงานมาบวชหมายความามาเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากคือปัญหาที่ชาวบ้านที่มีอาดยามีกฎหมายมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยในการกำกับควบคุมสั่งการบ่งการบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่ตนต้องการมันมีอ่ะ แต่พระไม่มีมีแต่วินยัยมีแต่กฎกติกามีแต่ระเบียบมีแต่พูดคุยกันรบรมสั่งสอนกันมีคนเป็นํำนวนมากที่เหลือเหลืออยู่นะฮะทุกกลุ่มนี่ก็เหลืออยู่แล้วต่อมาท่านตั้งหลักได้ท่านก็ไปได้ชิวทีเดียวแหละเราเคยมีพระเถระระดับ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนะคือมรณภาพไปแล้วเคยเป็นวัวหน้าโจร น, นะคเคยเป็นหัวหน้าโจรมาเคยฆ่าคนมาเคยติดคุกมาอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยบา ร, รมีของธรรมะการศึกษาการอบรมการฝึกปลือการประพฤติปฏิบัติพอดีพื้นฐานท่านดีพอสมควรด้วยนะครับ ท่านก็กลายเป็นพระที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อระาศาสนาแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ได้ทางทางที่อยู่ไปก็คือไปประสบปัญหาเดิมไปประสบปัญหาความยากราเหมือนเดิมไปประสบปัญหาว่างงานเหมือนเดิมไปประสบปัญหาต่างๆเหมือนเดิม แต่ก็ยินดีที่จะกระโดดเข้าไปลักษณะของแมลงเม้าเป็นข้าวกองไฟตองการบวชถ้าไม่มีบารมีหนุนอยู่แล้วอย่าคิดนะฮะว่าจะบวชอยู่ได้เจงอย่างไรก็อยู่ไม่ได้มันเป็นดินแดนที่ค่อนข้างอาถรารพ์ไร้ผลสมควรนะฮะ เราหนักแน่นในเรื่องศีลสมาธิปัญญาบกพร่องบ้างก็แก้ไขประปรุงกันไปก็วันก่อนยังรู้สึกชื่นชมแต่ไม่ถามท่านครับเราไปสอนปัญญาโทที่สารายาไปสอนเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน ตอนที่จะเรียนเนี่ยมองไปข้างหลังเห็นนักศึกษาสองคู่นะแสดงอบัตกันอยู่ว่เออเขาข้าขีเขาเก่งนะควรแก่การมโนทนาคือแทนที่จะรอไปแสดงที่วัดเนี่ยคือท่านต้องที่นั้นท่านก็แสดงที่นั้นแสดงแสดงทันทีทันใดไม่เก็บอบัติเอาไว้ค้างเรงการปฏิบัติก็ต้องระมียระมั การแสดงในเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่อวดรวยแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าคนรวยขนาดเนี้แต่เขาสละได้แม้สมบัติพระเจ้าจกักรพรรดิเจ้าชาศสิทธัตถสละได้สมบัติของกษัตริย์แบบเทวดาในโลกมนุษย์อย่างที่เจ้าชายนุรสกำบังสวยสุขอยู่นี่วันหนึ่งท่านก็สละได้ พระท่านก็บอกว่าบุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีดนตรีบรรเลงปลุกขยื่นเรืองอยู่ทุกเชา้าค่ำยังไม่บรรลุถึงความบริสุทธิ์ด้วยการฟ้อนรำขับร้องกันได้เพราะเป็นผู้ยินดีอยู่แต่ในกามคุณอันเป็นวิสัยของมารอยู่นี่แสดงให้เห็นว่า แต่ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไอ้คอนรำขับร้องประโคมดนตรีดูแลดูการละเล่นดิสซีตีเป่าสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงทั้งหลายเนี่ยที่เราแสดงความยกย่องชื่นชมแล้วก็มีค่าตัวค่าแสดงกันแพงๆสร้างคนเป็นเศษธีกันมากมายเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยให้คนคิดเบื่อนหน่ายคลายกำนันได้ เพราะอะไรเพราะว่าใจมันถูกยั่วยวนสภาพใบล้อมมันกระตุ้นราคาโลภะความกำหนัดเพล่ดเพลินชื่นชมยินดีคือเราอ่านพรงสวาดาลของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีนะมันดูแล้วไม่น่าเป็นเลยกษัตริย์มันเป็นสังคมที่มีแต่ความหวดระแหวงตอนนี้กาลังอ่านเรื่อง ตอติศาส์พม่าอยู่อ้พมา่าก็สาหัสเหมือนกันนะฮะยุ่งเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องสาวสรรกำนันในต่างๆเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ยุ่งอยู่เงี้ยแล้วก็ข่าแย่งชิงยือ้อแย่งราจะสมบัติการพี่ข้าน้องน้องข้าพี่ข้ากันมั่วไปหมดเลยจีนมันก็มีลักษณะเป็นอย่างเง เกาหลีเองก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นญี่ปุ่นเองก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นประเทศไทยเราเองสมัยยุธยาก็มีอยู่หลายครั้งด้วยกันแน่นอนก็อยู่ด้วยความบันเทิงรื่นเริงด้วยการปลนปลื้โดวยวิธีการต่างๆแทนที่จะมองแล้วเกิดความเบื่อตายคลายกําหนัดมันหน้าราําคาญมันหน้าอึดหนัดมันหน้าหวาดเสียว น่าสยดสยองเป็นเหตุให้เราทำบาปอะไรได้เยอะเลยมันเป็นอัศสาตคือความยินดีในกามเนี่ยมันมีนิดเตดียแต่มีทุกข์ไป็ดเ น, นั่นาดนั้นแต่คนก็ชอบไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นคือบางทีดูข่าวนะะ ลูกค้าเห็นนายกรมทรีเห็นอะไรล่ะรองนายกรมตรีควายความมั่นคงนะคนอื่นพอทำเนาอ่ะคนอื่นพอทำเนาคือมันไม่ค่อยรุงรังแต่ว่าสองคนนี้ไปไหนแหมบริษทัทบริวารห้อมล้อมเยอะจริงๆแกเป็นสุขได้หรือเปล่าเคื่อนมายังมองว่า แต่เราคิดอย่างพระเนี่ยเราคงไม่ทาอย่างนั้นไม่ได้คือนึกว่าการที่มีคนอารักขายังไงก็ตามถ้าคนต้องการจะฆ่านี่ฆ่าได้ตลอดแต่ว่าทำให้เขารักไม่ดีกว่าแหละทำให้เขารักให้เขาชื่นชมให้เขารู้สึกว่าเป็นคนของเขาเป็นนายกของเขาเป็นรองนายกของเขาเป็นรัฐมนตรีของเขา รั้วคือประชาชนเนี่ยมันเป็นประการเหล็กเรียกว่าผนังทองแดงกำแพงแหลกทีเดียวที่จะปิดกั้นบุคคลเหล่านั้นจากอันตรายวัะดีที่สุดก็คือเอาคนมาเป็นพวกอะแม้ใครก็ไม่รู้มาถืออาวุธพุพ่นวายจุนจานน่ารังเกียจ ยังกระทําทำชั่วทำผิดอะไรมาจะต้องห้อมล้อมกันมากมายขนาดนั้นเราจะเห็นว่าในภาพปรากฏทั่วไปเนี่ยแม้แต่พระธานรัิดีบารักโอบามาเองก็ไม่ค่อยรุงรังอย่างนั้นแต่ของเราในรุงรังเลยเก๋แต่ก็อชอบที่จะเป็นนะเหมือนกระถูกห้อมล้อมด้วยไฟนรกนะแต่ยังชอบจะเป็น นั่นเพราะอะไรเพราใจมันหางจากเน่คำมาสุขรู้สึกว่าฉันได้เป็นใหญ่และฉันเป็นสุขโดยไม่ได้นึกเทียบเคียงว่าเพราะฉันเป็นใหญ่เนี่ยฉันจึงเป็นทุกข์ต้องมีคนอาราาักขาต้องมีคนห้อมล้อมสินเปลืองเงินทองงบประมาณแห่งแผ่นดินมากมายแกย่กอง เราก็มีรัฐมนตรีเป็นนันมากที่ขึ้นพบอย่างไอดีนายกสมัครเนี่ยแกเป็นอะไรแกก็ไปเังแกคนเดียวอย่างคุณท่านัดคอมันเคเห็นคุณท่านัดคอมันคืนนอนรัฐมนตรีบางคนที่เขามาที่วัดก็เดินมาคนเดียวขับรถคนเดียวแล้วก็เดินมาคนเดียวอะไรอาจารย์กรุงเนี่ย คือเป็นลูกสิทธิวัดนะฮะบวชที่วัดก็ามาเข้าวค้าสมเด็จประสานกราก็ามาแบบชาวบ้านเด็กไม่ยอมให้เข้านะครั้งแรกกนะว่าจะรู้ว่าใครเป็นใครแนะหมยุ่งกันใหญ่ก็ต้องห้ามปรามตักเตือนเด็กเอาไว้คือพระนั่นไม่รู้หรอกก็เด็กแกก็ทําจะเข้าจะของไปอย่างนั้นเด็ก คนเราต้องการสะท้อนภาพว่าคนถ้าเป็นอย่างนี้มันก็บรรลุผลที่เราต้องการไม่ได้การที่พระอนุรุธท่านก้าวล่วงการมคุณห้านั้นได้แล้วยินดีในพระพุทธศาสนาการล่วงโอกาทั้งปวงแล้วเพ่งพินิจอยู่หมายความว่าสลับตัวเองมาจากสภาพเวดล้อมอย่างนั้น ออกมาแล้วก็บำเพ็ญเพียรอยู่หลายวันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นเลยแล้วกลับปีอิสระไม่มีกองอะรกขาเลยเลยเดินไปไหนมาไหนก็เพียงรูปเดียวทั้งก็ไปนะพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบในเรื่องนี้ให้เห็นในเรื่องนี้ว่าความดีนี่จะคุ้มครองคนดีคนที่ทำความดีไว้ดีกว่า ส่วนเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจจารีดประเพณีเป็นขนบธรรมเนียมที่เขาทำก็คือต้องปล่อยเขาทำเพราะว่าเราก็เข้ามาหลังกฎคือกฎก็มีอยู่อย่างนั้นเราไปละเมิดกฎไม่ได้มันมาม า, มาเป็นพระราชบัญญัติมาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปเลิกไม่ได้ก็ต้องปล่อยเข้าไป แต่ว่าการทําใจอิสระจากกามคุณเนี่ยโอ้ท่านถูกห่อร้อมด้วยกามคุณนะคับสลัดหลุดจากกามคุณมาได้เนี่ยมันเป็นไม่ใช่คนธรรมดาเลยเพราะคนธรรมดานั้นจะนี่แหละแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิษวาสขัดแย่งาหน้ากันเป็นใหญ่เรื่องกามคุณทั้งนั้นเนี่ย แต่ก้าวล่วงการไปได้แสดงว่าปัญญาบารมีที่สร้างมาเนี่ยแต่เราดูภูมิหลังที่ ท, ที่ท่านเล่าตอนบูชาพระพุทธเจ้าทรงมนามัสุเมศเนี่ยแสดงความโนบมเอียงไปในทางนี้ของท่านก็มีมาแต่ต้นแม้ยังปรารถนาสวรรค์อยู่ คื อ, อย่ลื ม, มาในขณะนั้นพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเกือยุคเดียวกันนะฮะแต่พระรุตยังปรารถนาสวรรค์อยู่ภาษาวกบา ร, รมียานกับสัมโพธิญาเนี่ยมันจึงห่างกันโอกาสมาถึงเจอพระพุทธเจ้าไดกัน ท่านคนหนึ่งต้องการมันเกิดในสวรรค์ท่านคนหนึ่งต้องการบรรลุต้องการสัตรู้อนุตตรสมาสผูธิญาณเดี๋พวพอถึงจุดหมายปลายทางเราก็เห็นความต่างกันว่าพระพุทธเจ้านั้นเสด็จหนีออกพระนวดในขณะที่พระรุธถูกพิชัยค่มขคู่ ขูด้วยการทำนานะฮะขูด้วยการทำนาอย่างเดียวท่านก็ไม่เอาแล้วแต่พอออกมาได้เนี่ยบารมีในอดีตมันเข้ามนันลุนก็ทําให้ท่านละกามกุณได้พรารมคุณมันสัมผัสผลตรงจากคําสอนของพระพุทธศาสนาเพาราะคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นตราบใดที่เรายังไม่ได้สัมผัสผลตรงเนี่ย เราไม่หนักแน่นดอกงอนเงนันคอนแคลนอย่างนั้นแหละต้องสัมผัสตรงสียงก็ต้องสัมผัสผลของเขาธรรมะก็ต้องสัมผัสผลของเขาสมาธิก็ต้องสัมผัสผลของเขายิ่งปัญญายิ่งต้องสัมผัสผลใหญ่เลยแล้วทีนี้เมื่อเริ่มใส่ในาศาสนามากขึ้นมันก็ข้ามโอคาได้ โอฆะก็เป็นชื่อของกิเลสนะฮะโอฆะเนี่ยเป็นชื่อของกิเลสกามโอฆะโอคะคือกามในที่นี้หมายถึงกิเลสกามกามาคุณนั้นเน้นไปที่วัตถุกรรมพะโอคะโอคะคือพบคือกิเลสประเภทอยากเป็นนะฮะอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี่อยากเป็นโน้นอยากเป็นเทพบุตรอยากเป็นเทปดาอยากเป็นพรหมอยากเป็นอะไรก็ตามแม้แต่อยากเป็นพระอรหันต์ก็ยังเป็นพะโอคะอยู่ มันก็กลายเป็นภานะที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากภพทิ่โฉขโอะคือจิตติจิตติก็ความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเนี่ที่เป็นหนังการมาัมาางการเนี่ยแล้วก็อวิชฌะ ค, คือหลุดพ้นหลุดพ้นมาจากอาวิชชา ความมืดบอดความร้ายเหตุผลขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการเพ่งพินิษพิจารณาสยบจำนวนยึดติดอยู่กับอารมณ์โลกไม่สามารถจะแก้พัฒนาการของตัวในหลุดพ้นไปจากอารมณ์ของโลกได้ก็ทำลายได้หมดตัวนี้ที่จริงก็เป็นคุณสมบัตินะฮะ เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์คือเราพูดถึงพระอนเมื่อไหร่เราก็จะเจอคุณสมบัติในลักษณะอย่างเนี้ก็เคยคิดไว้นานแต่ว่าไม่กล้าออกมาพูดเพราะว่ามันยาวมากๆเลยร้อยบทด้วยกันเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธคุณนั่นแหละ แต่สรุปแล้วถึงแม้จะร้อยก็คือปัญญาบริสุทธิ์เกลือนานั่นเองตั้นฟังท่้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพบูในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี